สมสมุทฐานะสี ส, ะสังเขว่าด้วยการย่อหัวข้อสมุทฐาน 257. สสังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระนิพพานและบัญญัติท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตา เมื่อดวงจันทร์คือพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์คือพระพุทธเจ้ายังไม่อุทัยขึ้นมาเพียงชื่อของสภาคะธรรมเหล่านั้นก็ยังไม่มีใครรู้จักพระมหาธีระเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นดวงตาทรงทำทุกขระกิริยาหลายอย่างบำเพ็ญพระบารมีแล้ว สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอันเป็นไปพร้อมทั้งพรหมโลกพระองค์ทรงแสดงพระสัตรธรรมอันกําจัดเสียซึ่งทุกข์นํามาซึ่งความสุขพระอังคีรถสากยะมุนีทรงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่มูสัตทุกท่วนหน้าพระองค์ผู้ทรงอุดมกว่าสรรพสัตว์ดุดราชสี ทรงแสดงพระไตรปิฎกคือพระสุตตันตะพระอภิธรรมพระวินัยซึ่งมีคุณมากพระสัทธรรมจะเป็นไปได้หากพระวินัยคืออุพโภตวิพังขันธกะและมาติกายังดำรงอยู่พระวินัยท่านร้อยกรองไว้ด้วยคำพีปริวานเหมือนดอกไม้ร้อยด้วยเส้นได้ สมุดฐานแห่งคำพีปริวานนั่นแหละท่านจัดไว้แน่นอนแล้วความเจือปนนิทานและสิ่งอื่นจะปรากฏในพระสูตรข้างหน้าเพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักต้องการศึกษาพระธรรมก็พึงศึกษาคำพีปริวานเถิด